บทที่ <Book> 73เดบไบมูดได้รับอนุญาตได้อนุมตินชุดะคุณได้รับอนุญาตให้ขับรถได้แล้วหรือมีรถบันดดนัดพอดานิกีอนุมตินชบดันดนี้ คุณได้รับอนุญาตให้ดื่มแอลกอฮอล์ได้แล้วหรือมีดมัดยีมเซเวินชดาในกีอนุมัติฉับดินดาคุณได้รับอนุญาตให้ไปต่างประเทศคนเดียวได้หรือมีวันแต่ละกาวิเดซัลก์เวลเอนุมัติฉันบัดินดาอนุญา ต, ไ, ตาดได้เชวัช เราสูบบุหรี่ที่นี่ได้ไหมคะไม่มีกระดาษปากกากัะชัตรงนี้สูบบุหรี่ได้ไหมคะอีก่กระดาษปกากกากัะชัจ่ายด้วยบัตรเครดิตได้ไหมคะเครดิตกอ่อน ด, ด้วยนะเฉลินยเวัชชะจ่ายเช็คได้ไหมคะเช็คด้วยนะเฉลินยเวัชชะ จ่ายเงินสดเท่านั้นหรือคะ Cash ด่วนรัชเลนชวัชชะขอใช้โทรศัพท์ได้ไหมคะแนนวกั Call Desk วัชชะขอถามอะไรได้ไหมคะแนนวกับยารักัชชะขอพูดอะไรได้ไหมคะแนนวกับ a ิ h a ปัชชะ เขานอนในสวนสาธารณะไม่ได้อาตนะนีปอปาร์คโล่พอดูกูนี่เด็กกูอน เ, เขานอนในรถไม่ได้อาตนะนี่คืโลนี่คีอนุญาติเเขานอนที่สถานีรถไฟไม่ได้อาตน่คือเทรล่ปปร ด, ดานี่คีอนุญา เ, เราขอนั่งได้ไหมคะ ไม่มีกระดูกชัวรวัจ๊ะเราขอรายการอาหารได้ไหมคะมากดเมนูกอดิสตาระเราขอแยกจ่ายได้ไหมคะเมมวิดิวิดีกัเฉลิ่ชวั์จะ